ก็ความเจริญในธรรมทรุกท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รมปรปฎิยานในวันนี้ก็คงนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับสัมมาสมาชิที่เกี่ยวรับยานตามที่ท่านอธิบายขยายความไว้ในอภิธรรมสังหาฏต่อไปเพราะว่าเป็น วิชาความรู้ที่ไม่ค่อยนํามาพูดกันแล้วก็อยู่ในเรื่องของอริยมรรคที่จะต้องทําความเข้าใจนะฮะเราจะเห็นว่าตอนพูดด้วยสมาธิฐกับสมาสังกปะนี่ก็ขยายพิสดารมากเหนั่นกันโดยตามปกติเราก็ไม่ค่อยขยายพิสดารเท่าไหร่พอดีรายการวิทยุนี่มันก็เป็นรายการที่พูดทุกวัน ก็ก็คล้ายๆกับศึกษาในชั้นเรียน น, นะฮะเกิมาบรรยายในแนวเหมือนกับศึกษาในชั้นเรียนก็คล้ายๆกับพูดกับนักศึกษาเออวันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องขององฌานนะฮทีนี้ก่อนจะเข้าถึงองค์ฌานมันก็มีสมาธิอยู่ห้าแไอ้สามระดับอย่างที่บอกไว้ในวันก่อน คือขณิกะสมาธิสมาธิธรรมาจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใ น, ในช่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งอุปจารสมาธิสมาธิธรรมาจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กล้าจะได้ฌานและอัปนาสมาธิสมาธิธรรมจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่กําหนดกิเลสไม่สามารถรบกวนได้และฌานจิตย่อมเกิดขึ้นได้ที่อัปนาสมาธินี้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อน แต่ว่าในที่บางแห่งท่านก็พูดแค่สองระดับคือแป๊บๆบบบบบบบบบเนี่ยมันเกิดสงบเป็นขณะขณขณะเนี่ยบางทีท่านก็ไม่นับแต่ยังนึกว่าชีวิตของเราวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ยจะทำจิตให้สงบได้หลายๆขณะได้มันก็ดีนะฮะมันทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นทีนี้ในประเภทของฌานเนี่ยตามในอภิธรรมนั้นท่านจาแนกประเภทของฌานไว้ห้าประเภท ก็เรียกว่าฌานปันจากกนัยที่ในขณะที่พระสูตรตัไปบิดกเนี่ยก็จะพูดไว้แค่สองอะแค่แค่สี่จะถึงจะตุตัชฌานและในฌานแต่ละข้อนี้ท่านก็อธิบายไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นมาตรในการเทียบเคียงดูว่าเราจเจริญกรรมาฐานมานไม่เจอสภาพอย่างนี้บ้างไหม ถ้ายังไม่เจอก็พยายามตะเจอแล้วก็พยายามต่อไปนะฮะพัฒนาต่อไปเพราะว่ามันมาครึ่งครึ่งกลางขนาดไม่ถึงครึ่งดีนะฮะไม่ถึงครึ่งดีปฐมวชารแไปวาชาญที่หนึ่งที่บอกว่ามีวิโตวิจารปีติสุเปกาตาเนี่ยก็ปเป็นฌานที่เกิดขึ้นก่อนครั้งแรกท่านจึงเรียกว่าชารที่หนึ่งที่ข้ามได้จะโคต การได้นะฮะก็หมายความว่าตอนกเกิดฌานที่หนึ่งมันมีเอกคตาถือจิตสงบเป็นสมาธิเพราะงั้นมันข้ามันข้ามาวความรู้สึกจุกนึกเหนียวนึ ก, น ก, นกเรื่องกามออกไปได้ปฐมฌานนี้ต้องอาศัยองค์ฌานครบทั้งห้าองฌานก็เป็นเครื่องควบนิวรณ์ทั้งห้าดังกล่าว จิตที่สงัดจากนิวรธรรมโดยการข่มไว้ได้ในครั้งแรกนี้ชื่อว่าปฐมฌานจิตองฌานตั้งห้าก็ยอมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยต้องทำหน้าที่เผาหรือข่มนิวรพร้อมกันอีกด้วยมีใช่องฌานจะเกิดขึ้นทีละข้อนะฮ ะ, ะครข่มนิวนทีละอย่างแต่มันเกิดขึ้นปึ๊บเดียวคล้ากๆกับแสงสว่างนะ แค่เราจุดเทียนขึ้นมาในห้องมืดแล้วก็เพิ่มเดียวมันก็กระจัดมืดไปทั้งห้องนั่นนะเ ป, เ, ปเปิดไฟฟ้าดีกว่าเทียนมันอาจจะไม่สว่างทั้งห้องอตูเตยชาญเกิดชาญที่สองเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ในอันดับต่อมาภายหลังจากปฐมชาญ เ, เกิดขึ้นแล้วในการปฏิบัติเพื่อให้ตูเตยชาญเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องกระทระําปฐมชาญให้เกิดขึ้นติดต่อกันบ่อยๆ เพื่อรวมจิตใจให้มีสมาธิกราแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็มีความคล่องแคล่วชำ น, นาญนาในการเข้าชานและออกจากชานความชำนาญเกี่ยวกับชานนี้ท่านเรียกวัดสนะีจำแนกไว้เป็นห้าประการคืออาวัจนะวสีถึงความชำนาญในการพิจารณาองค์ชานก่อนเข้าชาน เพื่อให้เข้าฌานได้โดยเร็วพันธ์คือต้องรู้จักนะฮะใกล้ยๆกับเข้าห้องเข้าเข้าไปบ้านเนี่ยมันต้องรู้ว่าเป็นอะไรเข้าไปยังไงสมาปัจจนาวสีนี่ได้แก่ความจานานในการเข้าฌานหรือเข้าสมาบัติจนถึงสมาบัติไปได้แล้วก็อธิษฐานาวสีชจำนานในการอธิษฐานจิตะอยู่ที่ฌานอยู่ในฌานได้นานๆนะฮะตามที่ท่านต้องการจนถึงอยู่ในสมาบัติได้ด้วย แล้วก็อุฒฐานวสีชํนานาญในการออกจากฌานคือถ้าจิตระดับถึงฌานแล้วในออกโครงครามไม่ได้นะต้องค่อยๆถอนจิตออกมาค่อยๆถอนจิตออกมาดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราเดินเข้าไปในที่แคบๆที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแล้วพอจะออกมาก็ถอยถอยออกมาค่อยๆถอยออกมาไม่จะออกมาโครงครามโค ร, ครามๆก็ออกไม่ได้ไแล้วก็ช น, นั่นชนนี้ก็ยุ่งไปหมดเลย แล้วก็ปัจจเวคคณะว ส, สีคือชํานาญในการพิจารณาองค์ชาญหลังจากออกอยากชาญแล้วคือทบทวนกลับย้อนกลับเข้าไปนะฮะย้อนกลับเข้าไปพิจารณาถึงองค์ชาญที่ตนสัมผัสในขณะนั้นๆัผู้ปฏิบัติได้ปฐมชาญำชำนิชํานาญพร้อมด้วยว ส, สีทั้งห้าแล้วก็จเจริญทุติยชาญได้โดยเพ่งปฏิภาคมิมิตคือนิมิตรที่เทียบเคียงปฏิภาคมิมิตรเนี่ยหมายความว่า มันนึกย่อส่วนขยายส่วนของนิมิตต่างๆได้ตามที่ตนต้องการใกล้ๆกระรวงเวียนมาหมุนนะฮะขยายเล็กขยายได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พลิกแพลงแปลผันไปต่างๆก็ได้ปฏิภาคนิมิตที่เคยได้จากปฐมฌานแล้วก็ไม่ต้องเพ่งองค์สีนเหมือนเมื่อเริ่มปฐมฌานเพระการเพ่งปฏิภาคนิมิตนี้เพราะความชํานาญจนได้เป็นวสีแล้วเนี่ย จึงไม่ต้องอาศัยวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แต่พระจิตที่เข้าฌานจนยำนานแล้วจิตย่อมไม่หดหูท้อถอยจากอารมณ์แต่จะติดอยู่กับอารมณ์ที่แพ่งอยู่นั้นเป็นอันดีจึงไม่ต้องอาศัยวิตกข่มทีนามิทนิวรณ์ซึ่งไม่เกิดขึ้นอีกก็ราะมมาแล้วแต่ในปฐมฌานฉะนั้นทุติยฌานจึงมีองฌานเพียงสี่โดยละวิตกออกได้แล้ว นี้ท่านอธิบายตามนัยยะของปัญจมปัญจะใน น, นะฮะเป็นฌานก็เรียกว่าฌานปัญจกนัยคือ น, นัยยะห้าข้อห้าห้าห้าฌานแต่ว่าในพระสูตรนั้นท่านผู้เจ้าทรงแสดงแค่สี่ในไม่ว่าที่ไหนก็าตามเวลาทรงอธิบายสมาธินั้นก็ทรงอธิบายแค่สี่แต่นั่นเองอธิบายสมาสมาธิ ตุตียชาญเป็นชาตที่สามนะเมื่อบรรลุทุตเตียชาญเมื่อได้ทุติยชาญแล้วนะี่จะต้องหมั่นกระทำทุติยชาญให้ชำนาญจนเป็นวสีเสียก่อนคือเรื่องวสีนี่อะไรก็ตามมทํากับข้าวทําอะไรแต่ใเราจะเห็นว่าต้องมีความชานานผู้ที่จ ะ, จะเจริญชาญได้ให้เข้าถึง ต, ตุเตยชาญนั้นย่อมเห็นโทษของวิจารณ์ว่ามีสภาพหยาบไม่คงที่ มีความเสื่อมง่ายจึงพยายามละวิจารนั่นเป็นองค์ฌานที่ตนเห็นว่ามีสภาพหยาบมีเสียเมื่อเข้าสู่ตติยฌานอันมีสภาพของปีติสุเกเอกคตาที่ประณีตกว่าทุติยฌานจึงตั้งต้นโดยการเพ่งปฏิภาคกนมิตรและบริกรรมจนตติยฌานเกิดตติยฌานจึงมีองค์ฌานเพียงสามคือปีติสุขและเอกคตา โดยละได้ทั้งวิตกและก็วิจารเราจะเห็นว่าตาติยชาในจตุ ก, กนายเนี่ยมันมีสุกเอก ก, ะกะตาแต่ว่าเนื่องจากปัญจ ก, กนยัยท่านไปไปแยกออกมาอย่างนั้นก็ทำให้กลายเป็นมีองค์สามไปแทนที่จะมีองค์สองที่นี้จตุทะชาเมื่อบุคคลได้ชาตที่สามนะฮะ แล้วก็เข้าตติยฌานคล่องแคล่วจนเป็นวสีย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในตติยฌานนั้นพร้อมกับพิจารณาเห็นว่าปีติที่เกิดในตติยฌานเป็นความปรับรื่มทราบสั้นไปตั้งกายและใจมีอาการโน้มน้าวใจไปทางลิงโลดใจดีใจนะปะปราบลื่มใจซึ่งนับว่าเป็นสภาพที่ยังหยาบประสงค์จะได้ฌานที่ประณีตยิ่ยงขึ้นไปอีก ไม่ควรนี่จะติดใจอยู่ในปีติที่เป็นของหยาบอยู่เพียงนี้จึงเริ่มเจริญจตุตชานโดยเพ่งปฏิภาคนมิตรเวื่อลาปีติเสียแล้วเมื่อจตุตชารจิตเกิดเนี่ยจึงเหลือองค์ฌานเพียงสองคือสุกับเอก ก, ะกะตานี่ถ้าเป็นจตุกนายก็อยู่ที่ตาติฌานนะฮะแต่วันนี้ก็มาอยู่ที่จตุตจาร บรรจมชาญซึ่งเป็นชาญที่ท่านเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าสองชาญในสี่ชาญก็คือจตุกนายก็คือจตุตาชาญนั่นเองท่านบอกว่าเมื่อชาญสุดท้ายของรูปชาญจตุกาชาญลาภีบุคคลบุคคลที่ได้จตุตาชานนะฮะเมื่อจะขึ้นบรรจมชาญเนี่ยต้องพิจารณาเห็นทั่วของสุขที่มีสภาพหยากว่าอุเบขาเอกกตาแล้วเนี่ยหยาบกว่าอุเบขากับเอกาตา แล้วก็ตั้งต้งตนเพ่งปฏิภาคนิมิตโดยภาวนาทั้งสามตามลําดับคือบริกรรมภาวนาภาวนาโดยบริกรรมนะได้แก่ยกอารมณ์ก็ใดคนหนึ่งขึ้นมาบริกรรมแล้วก็อุปจาระภาวนาภ า, า, าวนาเป็นอุปจาร์แล้วก็ใกล้ใกล้ใกล้จะสงบออเข้าไปนะฮะอุปจารย์ภาวนากับอุปจารสมาชิมันก็คือกันนะคือเป็นปัจจัยของกันั่งกัน แล้ปนาภาวนาภาวนาที่แน่วแน่เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจึงเพื่อล่าสุขต่อไปจนถึงเข้าถึงปัญจมชานฉะนั้นในปันจจมชานเนี่ยจึงเปลี่ยนเวทนาจากสุขเวทนาในจตุตรฌานมาเป็นอุเบกขาเวทนาองค์ฌานจึงมีสองได้นะแก่อุเบกขากับเอกาตาสุข คือความสบายกายสบายใจที่เป็นองค์ชานอันบุคคลที่ได้จะตุตะฌานละได้นั้นหมายถึงสุขทางใจคือโสมนัสตันเองส่วนความสุขกายและโทมนัสนั้นแม้พระพุทธองค์จะไม่ได้จัดไว้โดยลําดับแ่งการละองค์ชานเหล่านี้ก็ตามแต่ก็ดัดจัดไว้ในลําดับแผนอินทรีย์ทั้งหลายในอินทรีย์วิพังโดยอธิบาทุกโทมนัส และสุกาย่อมละได้ในขณะแห่งอุปจาร์ภาวนาของฌานที่หนึ่งที่สองและก็ที่สามโดยอาการอย่างนี้ทีนี้อานิสงส์ของโสมนัสเวทนาและอุเบขาเวทนาเนี่ยท่านบอกว่าในมหากุศลหรือกาวมจรกุศลเนี่ยโสมนัสย่อมมีอานิสงส์เหนือกว่าอุเบขา แต่ในฌานกุศลอุเบขาเวทนาจอมินิสงเนือกว่าโสมนัสเวทนาตัโสมนัสนั้นเป็นความปราบรื่มเป็นความอึดอิ่มเป็นความดีใจแต่ว่าอุเบขานั้นเป็นอาการของปัญญาคือเพ่งดูจุดต่างของฌานที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็คือว่า จากปฐมฌานถึงปัญจมฌานเนี่ยมีความแตกต่างที่องค์ฌานแต่ละฌานซึ่งจะมีจํานวนฌานมากน้อยลดหลั่นกันเป็นลําดับส่วนอารมณ์ที่เพ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เดียวกันไม่แตกต่างจากกันอารมณ์ของฌานประเภทต่างๆอารมณ์ที่ใช้เพ่งเพื่อให้เกิดฌานในจิตเนี่ยประเภทต่างๆในฌานทั้งห้านั้น ต้องอาศัยบัญญัติอารมณ์ทั้งสิ้นคือต้องรู้สมมติกําหนดเครื่องหมายอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องเพ่งและอารมณ์ที่เป็นเครื่องเพลงให้ฌานจิตเกิดขึ้นได้นั้นตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงปัณจมาฌานจะจํากัดอยู่เฉพาะอารมณ์ต่างๆดังต่อเป็นนี้คือปฐมฌานในท่านบอกว่า อาศัยอารมณ์เป็นเครื่องเพลงยี่สิบห้าอย่างคือกระสินสิบเช่นดินน้ำลมไฟสีต่างๆมีมีมีสีสีนะ่ะแล้วก็อสุภกรรมฐานอาสุภกรรมฐานเอาอทั้งสิบนะฮะแล้วก็อนาปานสติหนึ่งแล้วก็ส่วนแห่งการบัญญัติได้กะสัตวาบัญญัติสามคือบัญญัติวสัตเป็นที่รัก สัตว์ที่เป็นประสบความทุกข์สัตว์ที่ประสบความสุขเนี่ยคนนี้สามารถให้เกิดอโมชานขึ้นมาได้ส่วนตุเตช า, ต, า, ต, ชาติเตชาและจตุเชานั้นอาศัยอารมณ์เครื่องเพลงได้เพ่งฌานเกิดได้สิบสี่อย่างนะได้แก่กะสินสิบอนาปานสติหนึ่งแล้วก็สัตว์ตะบัญญัติคือการบัญญัติว่าสัตว์นะฮะ สัตว์เป็นที่รักหรือว่าสัตว์ที่ไม่เป็นที่รักสัตว์ที่เป็นทุกข์สัตว์ที่เป็นสุขกเว้นสัตว์ที่รู้สึกกลางๆสัตว์ที่รู้สึกกลางๆท่านบอกว่ า, าใช้เป็นเครื่องอาศัยเพ่งไม่ได้คืออาจจะมันไม่กระแทกกับทันใจอะไรก็ไม่ทราบไปนะครับ ทีนี้ปัญจประชาร์บอกอารมณ์เป็นเครื่องเพลงให้เกิดฌานในจิตสิบสองอย่างคือกสินสิบก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ากระสินเนี่ยก็อยู่ทุกแข่งแล้วก็อาณาปานสติหนึ่งสัตว์บัญญัติหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสัตว์ที่บัญญัติเป็นกลางๆเพราะว่าองค์ฌานข้อนี้ก็คือสุขกับเอกอกตาไม่ใช่อุเบกขากับเอกอกตตาในฌานทั้งหลายที่ ท่านจาแนกแสดงไว้เนี่ยให้ลองสังเกตว่ามันเป็นการจําแนกถึงสภาพจิตที่จริงถ้าเราต้องการจะสัมผัสที่จริงเนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติแต่ท่านก็จําแนกอะไรออกไปวิจิตริสดาเนะช่นว่ารูปาวจรกุศลจิตบา้างอารูปาวจรวิบาตรจิตบ้างเป็นต้นบ้างเนี่ย หรือแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นเป็นอาการของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถเจริญให้เกิดสมาธิได้เนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดอไม่ปรากฏแต่ก็มีข้อที่ควรศึกษาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะในเรื่องผลผลของจิตที่ได้ชาญเนี่ยคือท่านที่ได้ชาญเนี่ยมีคติแน่นอนชาญเนี่ยก็เรียกว่าเป็น ขลุก ร, รมฝ่ายกุศลแน่นอนว่าท่านเกิดเป็นพรหมผมชั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับองค์ฌานอะไรนะฮะท่านได้ฌานข้อไหนแต่ท่านเกิดเป็นพรหมแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเกิดในพรหมที่สูงขึ้นไปก็มีได้นะฮะถ้ากว่าจิตท่านสูงขึ้นทีนี้ก็สรุปว่า รูปราวจรจิตคือจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปราวจรกุศลจิตนะท่านบอกว่ารูปราวจรกุศลจิตก็คือจิตระดับรูปะฌานเนี่ยสามารถจะเลือกเกิดในสุกติภูมิเจ็ดหมายถึงมนุษย์ด้วยนะฮะมนุษย์แเทวดาหกคือสาตกามรมาวจรหกแล้วรูปะฌานสิบสิบห้านะฮะเว้นอสันีาสัตตะ ภูมิอาจารยีสัตว์ซึ่งเป็นภูมิที่ที่สิบเอ็ดแสดงว่าท่านเหล่านี้มีคติที่แน่นอนเป็นมันก็ไปย้อนกลับมาเรื่องบุญกุศลนะฮะเราสังเกตว่า บ, บุญกุศลทานเนี่ยไม่พูดไกลขนาดนี้สีไม่พูดไกลขนาดนี้นะฮะสีนี่ไม่พูดไกลขนาดนี้พอสมาชิมันพูดไกลละเราะวา่าเราเทียบบุญกุศลที่เรากําลังประลบ ก, กันส่วนใหญ่เราจะไปพูดแต่เรื่องทาน เราพูดแต่เรื่องทานเรื่องศีลนะฮะแต่จริงแล้วบุญระดับที่มีอานิสงส์มากมีผลมากมีในสงฆ์มากมันบุญระดับสมาธิพูดถึงบุญระดับธรรมะปฏิบัติก็แล้วกันเนะ่ยเพราะเนื้อหาสาระมันอยู่ที่การสงบกิเลสได้หรือสยบกิเลสได้เช่นยกตัวอย่างว่าเราจเจริญเมตตาอย่างเงี้ยมันก็ไปสยบพยาบาทได้ ไปสยบกรารมาราคาได้สยบความรักในระหว่างเพศได้แต่สยบความรักในฐานะที่เป็นครอบครัวได้มันมีสติปัญญามีผลในการมองในการใช้เพื่อให้เกิดความชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องนั้ น, น, นวันหลักการตรงนี้จึง เปิดสนามกว้างใหญ่ไพศาลให้คนเนี่ยเลือกเดินทางโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเพราะว่าประวนกับเงินมากเงินน้อยเศรษฐกิจดีไม่ดีนะฮะสภาพทางการครองชีพเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเนี่ยทีจริงไม่ต้องไปติดใจอะไรมากแ า, ากว่าเราปรารถนาที่จะ อยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่อยู่เป็นสุขในชาติภพต่อๆไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะฮะเจริญพวกเนี้ยพวกธรรมะระดับศีลระดับธรรมะปฏิบัติพูดง่ายๆระดับกัญยาเดนจะศีลเป็นยธรรมถึงงดเว้นจากการขาศาศรร้าสัตว์การลักทรัพย์พการรฤ่าาิผิดในกรรมการพูดเท็จการเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย แล้วก็ครองชีวิตด้วยมีเมตตาต่อคนอื่นเลี้ยงชีพโดยหลักของสมาชีพมีความสำรวมระวังในเรื่องเพศในเรื่องการไม่มีความสำสสนในทางเพศแล้วก็ดำรงอยู่ในความสัตย์ความจริงมีสติ ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดขณะทํขาขณะพูดขณะคิดหลังจากทาหลังจากพูดหลังจากคิดไปแล้วเนี่ยโอ้ไ ด, บด้บุญขนาดนี้ก็บุญโคแล้วหรือจะให้ได้ว่ามีเมตตาจิตเป็นหลักสักข้อหนึ่งแล้วก็ไปได้ไกลแล้วท่านบอกว่าวิบาศของจิตที่เป็นรูปาวจรเนี่ย มันก็เกิดได้พรมโลกก็มีสิบหกนะฮะรู ป, ประพรหมเนี่ยมีสิบหก็ต่้งเบนเทสันดีสตตาแต่ว่าที่จริงก็มีรายละเอียดมีรายละเอียดรูปปาวจนกิริยาตามบอกว่าเกิดได้ยี่สิสองเท่ากับรูปปาวจนกุศลจิตคือกามสุกติเจตก ร, รูปนี่ก็เป็นหลักธรรมที่ ก็ลากออกมามาเข้าไปนำท่านไปศึกษาไปดูที่อภิธรรมัตสังกฐาเนเรื่การประกอบความเข้าใจในเรื่องของสมาธิเรื่องของการเจริญฌานเพราะว่ามันเป็นวิทยาการที่ออกมาจากจิตหมายความว่าถ้าจิตเราไม่สัมผัสจริงๆเนี่ยเราก็ว่าเป็นอคตยานไปตอนนั้นเอง จิตมันต้องได้สัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ลึกมากพอสมควรก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจความรู้เห็นถึงความจริงนะว่าจิตที่ได้ฌานเนี่ยมันเป็นจิตที่สงบจิตที่เย็นซึ่งไม่มีใครสามารถอธิบายได้คล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ใครกอคงงววงง็อธิบายไม่ได้ว่ามันมันเป็นยังไงเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงนี่ยอธิบายไม่ได้ นอกจากว่าจะต้องพยายามสัมผัสด้วยตัวของตัวเองและจะรู้รสชาติของความเปรี้ยวหวานมันเค็มของเรื่องแบบนั้นอริมักพิองแปดประการึถือว่าเป็นฐานใหญ่ของกุศลธรรมั้งปวงที่จึงเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหมดนะนะกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดนเราก็สรุปอยู่ที่อริมักพิงแปประการเปน พระธรรมจักรวัฒนสูตรเนี่ถ้าเรามองกันในแง่ของความจริงหมดแล้วอิทธรรมาที่ทรงนํามาแสดงนะั่นหมดแล้วแสดงต่อมาอีกสี่สิบห้าปีก็มาสรุปที่ธรรมจักรวัฒนสูตรแต่เนื่องจากอิทธิมาเรียงมาตามลําดับที่ทรงแสดง วันเราจะห็นว่าจริงๆรายละเอียดในเรื่องอื่นยังมีอีกมากนะในทุกเราก็ยังไม่ค่อยให้รายละเอียดมากส ม, มุทัยก็เหมือนกันนี่โรคก็เหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงของการตรัสรู้เนี่ยเรายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดตอนนั้นซึ่งจะต้องพูดกันในโอกาสต่อไปทุกนฟังเท่าไหรแต่หลวงพ่อวติญาในวันนี้ขอยุติไว้ใยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบูรณนธรรม จึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี